การปฏิบัติธรรมนะเป็นคำที่เดี๋ยวนี้เราใช้กันอย่างแพร่หลายคำว่าปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลท่านจะใช้อีกคำหนึ่งนะท่านใช้คำว่าสิกขาเหมือนกับที่เราเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยคำว่าสิกขานี้ แปลงมาเป็นภาษาสันสกฤตก็คือศึกษานะศึกษากับศิกษานี่จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันศิกษาเป็นบาลีศึกษาเป็นสันสกฤตแต่ว่าศึกษาที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นการอ่านการเขียนกันไปแต่ว่าศิกษาที่ใช้ในควาว่าไตรศิกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยตรง อธิษฐานก็มี3ามนะศีล ส, สมาธิปัญญาหรือถ้าพูดให้เต็มยศก็เรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิ จ, จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิปแปว่ามากทำให้เพิ่มขึ้นก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อทำให้ศีลเจริญงอกงามการปฏิบัติที่ทำให้จิตเจริญงอกงามการปฏิบัติที่ทำให้ปัญญาเจริญงอกงาม คำว่าศึกขาเนี่ยยังใช้กับวินัยของพระนะวินัยนี่มันเป็นคําเรียกลมรว ม, รวมถ้าจแจกแจงเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อเราเรียกว่าศึกษาบทคือบทศึกษาหรือว่าข้อปฏิบัตินั่นเองนะเวลาผู้แปลว่าบทศึกษานี่ก็งงๆนะแต่ถ้าเราแปลว่าข้อปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายตรายศึกขาเศรษฐสมาธิปัญญา ก็เป็นการอบรมกายวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลการอบรมจิตทำให้จิตเจริญงอกงามก็เรียกว่าสมาธิคาว่าสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตใจแ น, แน่วแน่อย่างเดียวนะแต่หมายถึงการพัฒนาคุณภาพจิตอะไรที่เกี่ยวกับคุณภาพจิตก็รวมอยู่ในสิกขาข้อที่สองนะที่เราเรียกสั้นๆว่าสมาธิ แต่ถ้าเรียกเต็มจะเรียกว่าอธิจิตตสิกขาพุทธศาสนาเนี่ยแยกนะแยกใจกเป็นสองนะคือจิตกับปัญญาจิตก็อันหนึง่งปัญญาก็อันหนึง่งแต่รวมเรีย ก, ยกว่าใจทำไมถึงแยกนะก็เพราะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันทีเดียวแต่สัมพันธ์กันอย่างเช่นเมื่อมีปัญญาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตานะเป็นทุกขัง เป็นอนิจจังนะก็ทําให้จิตเนี่ยเกิดการคลายความยึดติดนะที่แรกเบื่อหน่ายก่อนนะนิพิทาแล้วก็วีราคาก็คลายคลายความยึดติดหรือคลายความรุ่มหลงอย่างที่เราสวดอนัตตะลกนาสูตรนะเมื่อวานเนี่ยนะตอนสุดท้ายที่าจะบอกเนี่ยเมื่อเห็นนะเมื่อเห็นว่าขันธ์ทั้งเมื่อมีปัญญาเห็น ชอบด้ปัญญาว่าขันทั้งห้าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อนั้นก็จะเกิดการคลายเกิดความเบื่อหน่ายดิพิธาแล้วก็เกิดการคลายคลายความยึดติดไอตอนที่เห็นว่าสังขารหรือว่าขันตั้งห้านี่เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะรับการอบรมบ่มพ่อจนกระทั่ง เกิดเห็นทำอย่างแจ่มแจ้งอย่างที่ว่ามาเมื่อนั้นจิตก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยึดติดอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยการที่แยกจิตและปัญญาออกจากกันเนี่ยมันมันช่วยอย่างนี้ทำให้เข้าใจการาทำงานของใจเราอันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าตรายิกขาเนี่ยถ้าจะ อธิบายอย่างง่ายๆนะก็คือมันทําให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องกันระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนอันนี้ข้อที่1แล้วข้อที่2คือมันทําให้เกิดความกลมกลืนระหว่างกายกับใจแล้ที่สามก็ทําให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องสามัคคีกันระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ หรือระหว่างความคิดกับความรู้สึกหรือว่าระหว่างสมองกับหัวใจนะอันนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยต่อยสิกขาเนี่ยการยมรวมๆแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องเกื้อกลูลกันนะในสามระดับอย่างเช่นนะ่ะความกลมกลืนระหว่างเรากับผู้คนสังคมแวดล้อมรวมทั้งธรรมชาติด้วยเนี่ย อันนี้มันต้องอาศัยสีเนี่ยเป็นตัวนําเลยนะเช่นถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่เรามีศีห้าครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไปก่อเรื่องวุ่นวายสร้างปัญหากับผู้คนแล้วก็อาชุมชนแวดล้อมเมื่อเรารักษาศีห้าดีเราก็เป็นมิตรกับผู้คนนะยิ่งถ้าเรารู้จักให้ทาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ทำให้เกิดความสามัคคีกันนะเกิดความกลมเกลียวกันมันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะที่ชื่อว่าสังขารวัตถุสี่คำว่าสังขารนี่คือสงเคราะห์สงเคราะห์นี่แต่จริงแปลว่ายึดเหนียวนะเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวถ้ามีธรรมสี่ข้อนี้ก็จะยึดเหนียวน้ําใจเรากับผู้อื่นหรือยึดเหนียว ให้เกิดความสมคัคคีกันสังขวัตุสีมีอะไรบ้างนะก็ทานนะปิยะวาจาการพูดไพเราะพูดดีพูดเกื้อกูลอัตจริยาคือการเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผด้วยอ่าการอ่าลงไม้ลงมือนะช่วยเหลือเขาแล้วก็สมานนัตาตาก็คือการปฏิบัติร่รวมทุกร่วมสุขกับผู้อื่นเรียกว่าสมานอัตตาก็ได้คือปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน แต่สังคบุตรสีเนี่ยก็มีตัวตัวที่เป็นฐานนะก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสีนี่ก็คือเมตตากรุณามุติเตาเบคาส่วนใหญ่มันหมายถึงคุณภาพจิตนี่ถ้าเราเกิดมีทั้งพรหมวิหารสีแล้วก็สังคบัตรสี่เนี่ยก็ทำให้เราไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครทาให้เกิด ชีวิตที่เกลื้อน ก, กูนกันอันนี้มันเป็นเป็นเป็นเป็นความเกลื้อนกูลความกลมกลืนกันนะในระดับในระดับเบื้องต้นเลยนะซึ่งรวมไปถึงกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติด้วยนแะล้วคนเราถ้ามีธรรมะนะไอการทําลายสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะ เพราะว่าจะอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาตินะในทอนเดียวกันถ้ามีแค่พรมวิหารสีกับสังข ว, วัตสีเนี่ยมันก็ไม่เกิดการอาเปรียบเบียดเบียนกันนะมีแต่ความสามัคคีกันอันนี้เป็นความกลมกลืนนะในระดับแรกนะที่เกิดจากการมีจิตที่พัฒนาและการมีศีลที่พัฒนา หรว่าเวลามีความขัดแย้งกับใครเนี่ยนะหรือว่าใครที่จะมามุ่งร้ายกับเราเมื่อเราปฏิบัติกับเขาด้วยด้วยธรรม ะ, ะด้วยความเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่มันก็ทําให้สามารถจะเปลี่ยนเขาจากสัตว์โรธเป็นมิตรได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเอาชนะความชั่วเอาชนะคนชั่วเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะคนตรหนีด้วยการให้ เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะในที่นี่หมายถึงว่าเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนเขาจากศัตรูกลายเป็นมิตรเมื่อเป็นมิตรมันก็มีความกลมกลืนกันมาแทนที่ความเป็นปฏิปักษ์อันนี้ความกลมกลืนสอดคล้องประการที่สองหรือระดับที่สองนะสำคัญมากเหมือนกันอันนี้คือความกลมกลืนระหว่างกายกับใจคนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะ มันมีความไม่ค่อยกลมกลืกันนะระหว่างกายกับใจใจเนี่ยนะก็จะเป็นตัวการที่ทำร้ายร่างกายนะเช่นเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้กับกายนะบุหรี่ก็ตามเหล้าก็ตามนะอันเนี้ยมันล้วนแลแ้วแเป็นการทำาลายร่างกายแท้แท้เลยอนะ่ทุกคนอ่ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะโดยการเอา สิ่งเสพติดสิ่งที่เป็นโทษไอ้สิ่งที่เป็นโทษ น, นี่มันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งเสพติดเช่นเหล้าบุหรี่หรือว่าเฮโรอีนนะอาจจะเป็นอาหารที่ดูอร่อยแต่ว่าเจอไปด้วยสารเคมีนะเดี๋ยวนี้นี่สารเคมีมันมันแทรกซึมไปในอาหาร ที่เขาปรุงแต่งเพื่อทำให้ดูน่ากินใจเนี่ยมันอยากจะเสพนะสิ่งที่หรืออาหารที่อร่อยอาหารที่ดูสวยแล้วก็บางทีก็รู้นะว่ามันมีสารเคมีแต่ก็ยังกินเข้าไปอันนี้เป็นการทำร้ายร่างกายโดยตรงเลยซึ่งไหนสุขก็ทำให้ป่วยได้เรามาคิดดูนะในแต่ละวันเนี่ย ใจเนี่ยมันเป็นตัวการทำร้ายร่างกายอย่างไรบ้างโดยเพราะเมื่อใจนี่มันมีกิเลสนะมีตัณหาก็ทำ้ายร่างกายทีลนิทีลนิ ด, นดไอความลุ่มหลงนะความหลงของใจเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเล่าบุหรี่ยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันมีความลุ่มหลงใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเกมออนไลน์เนี่ย จิตนี่มันอยากจะเสพนะเกมเพราะมันตื่นเต้นรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นพระเอกนะก็พอเสพติดเกมออนไลน์แล้วเนี่ยก็ใช้ร่างกายนี่แหละนะในการเสพจนกระทั่งบางทีร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะบางคนเล่นนี่โดยที่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้พักไม่ได้นอนเลยร่างกายมันก็อุทธรรลองบ่นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจนี่ก็ยังไม่ สนนะก็ยังเล่นแบบไม่บรรยับบรรยังจนบางทีหัวใจวายตายก็มีนะอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศเกาหลีนี่มีหนุ่มเกาหลีเล่นเกมออนไลน์จนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานถูกเล่าจากงานแทนที่จะเสียใจกับดีใจว่าจะได้เล่นเต็มที่นะก็เลยเล่นนะอย่างเมามันมากนะเรียกว่านอนสต็อปไม่หยุดเลยนะตั้งแต่ เช้าจดเย็นถึงค่านั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่แนหะกินก็ไม่ค่อยได้กินนอนนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่นอนเลยเพราะว่าเล่นไปได้สาสิบกชั่วโมงก็ช็อกตายนะตายคาเครื่องเลยอันนี้เรียกว่าจิตเนี่ยมันทําร้ายกายนะถามว่าร่างกายมันไม่บน่นไม่อุทธรหรือมันก็บน่นมันก็ร้องนะแต่ว่าไม่สนใจจิตใจนี่ไม่สนใจเพราะว่า เกิดในความสนุกนี่ถ้าเกิดว่ า, ามีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญใยสิกษาโดยเฉพาะในเรื่องของอธิจิตตศิกษาหรือสมาธิเนี่ยก็จะมีสติรู้นะสะติเนี่ยมันจะมาทําให้รู้รู้กายถ้าเรามีสติดีเราก็จะรู้ว่ากายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วกายมันบ่นแล้วแต่ว่าถ้าเรา ลุ่มลงนะจนลืมตัวเนี่ยกายมันมันร้องอุทธร อ, อย่างไรก็ไม่รู้จิตนี่ยังทำ้ายกายในหลายวิธีด้วยกันนะเช่นจิตที่เก็บสะสมความโกรธเอาไวนะ้จิตที่ไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเก็บสะสมความโกรธความเครียดเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายนี้ป่วยนะป่วย โรคหัวใจป่วยด้วยโรคสารพัดัเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สกว่ายังสาวอยู่เลย <c oughs> แต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังที่ว่าคือปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังแล้วก็ความดันขึ้นต่อเนื่องอเป็นประจำไปหาหมอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะว่าหมอตรวจสุขภาพก็ไม่พบความผิดปกติของร่างกาย หมอก็แปลกใจมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอุปทานหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ใช่จนกระทั่งวันหนึ่งหมอก็ถามคนไข้ว่าเนี่ยไหนคุณเล่าประวัติของคุณให้ฟังหน่อยคนไข้นี่พอเล่าประวัตินะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กกําพร้ากําพร้าพ่ อ, พอกำพร้าแม่อยู่ในการดูแลของพี่สาวแต่ว่ามีเรื่องขัดแย้งกับพี่สาวเวลาพูดถึงพี่สาวก็มีความน้อยเนื้อต่าใจ แล้วก็มีอาการโกรธอาการที่ออกมานี่หมอก็เห็นเลยนะมันชัดเจนก็เลยแนะ น, นําคนไข้ว่าให้อภัยพี่สาวหมอไม่ได้ให้ยานะแต่หมอวบบอกว่าให้อภัยพี่สาวสิถ้าคนไข้ไม่พอใจนะว่าหมอทําไมแนะนําอย่างนี้แทนที่จะให้ยาแทนที่จะออแนะนําอะไรที่มันเป็น เหตุเป็นผลหน่อยนะสุดท้ายคนไข้ก็หายไปเลยไม่กลับมาหาหมออีกเพราะว่าไม่เชื่อหมอแต่ว่าหนึ่งปีผ่านไปนะคนไข้ก็คนคนี้แหละก็เขียนจดหมายมาบอกหมอว่าหายแล้วนะอาการที่ว่าเนี่ยปวดหัวปวดท้องความดันเพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยนะที่เธอป่วยเพราะอะไรนะป่วยเพราะว่าใจมันโกรธนะเจ็บสะสมความโกรธเอาไว้ หมอนแนะนำให้อภัยยังไม่ยอมเลยนะให้ใจที่โกรธเนี่ยมันก็ไปฉุดให้ร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดว่าเจริญนะเจริญสติเจริญสมาธิหรือว่ารู้จักแผ่เมตตานะมันก็ช่วยทำให้ใจิตใจเนี่ยผ่อนคลายใจิตใจปล่อยวาง ซึ่งก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาคืนดีได้ถ้าลองสังเกตดูนะว่าบ่อยกี่บ่อยครั้งแค่ไหนที่ใจเนี่ยมันไปฉุดกายให้แย่ลงบางคนป่วยแค่ไม่มากอะไรป่วยไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าพอใจปรุงแต่งนะมันก็ทำให้ร่างกายนี้สุดเลยนะอย่างมีคุณป้าคนหนึ่งแก ไม่สบายไม่รู้เป็นอะไรก็เข้าๆออกโรงพยาบาลอยู่นั่นแหละแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกตกใจมากเลยนะกังวลคุ้นคิดนะแต่เรื่องความตายที่จะมาถึงวิตกกังวลเรื่องครอบครัวนะมีทั้งความเครียดทั้งความกลัวทั้งความความกังวลบอกว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันแกก็ตาย ถามว่าเป็นพ่อมะเร็งมะลุกรามนะมากเร็วอย่างนั้นเหรอมันก็เปล่าแต่ที่จริงเป็นเพราะใจเนี่ยใจที่ปรุงแต่งนะความกลัวความวิตกมันก็ทําให้ฉุดให้ร่างกายนี้แย่ลงไปนะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นควะไม่รู้ทันนะปล่อยให้ใจปรุงแต่งไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยใจนี่แหละที่มันจะทำํำลายร่างกายมันไม่ไม่ใช่เ อ, อเื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน แต่การปฏิบัติธรรมโดยเพราะอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะหรือว่าการการฝึกจิตนะมันจะช่วยทําให้ใจเนี่ยกลับมาเกื้อกูลกายไม่ใช่ฉุดนะแต่ว่าช่วยเลยแหละบางคนป่วยนะแต่ว่าพอทําสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไห้ร่างกายมันดีขึ้นเลยนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยทําให้อ่า การทำงานต่างๆของร่างกายดีขึ้นภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นหรือบางทีก็ช่วยทำให้ความปวดกายทุเลาลงคุณหมอมารามลีลาเคยเลา้ฟังว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อาย40ุ40กว่าแต่เป็นมะเร็งแล้วมันก็ลามไปถึงกระดูกตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยคนไข้เนี่ยปวดมากยานี่ก็เอาไม่อยู่นอนไม่ได้นะต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบตัวงอปากซีด เหมือนี่เม็ดโตๆปวดมากคุณหมอก็เลยอยากจะช่วยนะเลยชวนทําสมาธิคนไข้ไม่เคยทํานะก็เลยแนะนําง่ายๆนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาใจมือที่ลมหายใจนะบริกรรมพุทโทที่แรกเนี่ยคุณหมอมาแล้วคิดว่าเนี่ยคนไข้คนนี้คงทําได้ไม่เกินหนาทีนะเพราะว่าเป็นมือใหม่แล้วก็ปวดมาก แต่ห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วก็ยังก็ยังทําแล้วก็ยิ่งทำนะหลังก็ยิ่งตรงผ่อนคลายบอกว่าทําไปถึงห้าสิบนาทีพอทำเสร็จนี้ก็รู้สึกสบายมากนะเลือดลมนี่ดีขึ้นนะป่าไปสีชมพูนะที่เคยสิทน์นะหายไปเลยเหงื่อแม่โตโตก็หาย ร่างกายดีขึ้นเลยนะความปวดนะมันทุกเราไปมากอันนี้เรียกว่าร่างกายเนี่ยมันถูกใจเนี่ยนะฉุดขึ้นม า, าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยนะถ้าไมปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันจะฉุดกายทําให้แย่ลงหรือทำร้ายร่างกายแต่ว่าถ้าปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิรักษาศีลเนี่ยมันก็ช่วยทําให้จิตเนี่ยนะเป็นตัวดึงกายขึ้นมา ไอ้ที่เคยทําร้ายร่างกายด้วยความโกรธก็ดีด้วยอบายามุกนะด้วยยาเสพติดนะเล่าบรีหรือว่าอาหารที่มันเป็นโทษเนี่ยมันก็จะหมดไปอันนี้ก็ทําให้เกิดความสมดุลเกิดความกลมกลืนกันระหว่างกายกับใจหรือเพราะการเจริญสติเนี่ยนะมันทําหน้าที่นี้เลยตรงนะัคือทําให้กายกับใจเนี่ยมันไปด้วยกัน กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันนี้คือนายของสติเลยเวลาเราเจริญสติเนี่ยหลักกายง่ายคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่ใช่ว่าตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นนะมันแปลกแยกกันกายกับใจมันกลายเป็นเป็นคนที่เหินห่างหมางเหมือนกันแต่พอเจริญสติเข้านะากายกับใจนี่กลับมาสามัคคีกันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะมันก็เออฟือทั้งกายและใจ และพอปฏิบัติไปนะต่อไปกายก็ช่วยใจด้วยเช่นเวลาเครียดวยเวลาง่วงนะเราก็อาศัยกายนี่แหละเป็นตัวช่วยนะผ่อนคลายจิตใจนะเช่นเวลาเครียดเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วหรือว่าหายใจเนี่ยลึกหายใจถี่หายใจสั้นนะคนเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยสังเกตแล้วว่า พอเครียดแล้วเนี่ยลมหายใจมันถี่มันสั้นแต่ว่าพอลองหายลองตั้งสติสักหน่อยแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆชอปสี่ห้าครั้งจะรู้สึกว่าใจผ่อนคลายหรือว่าเดินออกไปข้างนอกนะชมนกชมไม้มองฟ้านะพอรู้สึกว่ากายผ่อนคลายแล้วเนี่ยใจก็ผ่อนคลายไปด้วยไอ้ที่เคยเครียดก็ผ่อนคลายที่เคยง่วงก็สว่างสวายขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าอาศัยใจเนี่ยช่วยกายอาศัยกายช่วยใจมันช่วยกันได้สองทางนะใจช่วยกายแล้วก็กายช่วยใจอันนี้เพราะว่าเรารู้จักนะปฏิบัตินะความกลมเกลืนอย่างที่3นะซึ่งก็ละเอียดเข้าไปหน่อยแนละ้วก็คือว่ากลมกืนสอดคล้องกันระหว่างเหตุผลนะกับอารมณ์ระหว่างความคิดกับความรู้สึกระหว่างสมองกับหัวใจ อันนี้อธิบายง่ายๆว่านะคนเราเนี่ยบางครั้งนะก็รู้ว่าอะไรดีนะอะไรไม่ดีนะแต่ทําทไม่ได้ที่ทําไม่ได้เพราะใจเนี่ยมันไม่คล้อยตามอย่างเช่นคนที่ติดเหล้าเนี่ยนะติดบุหรี่เขาก็รู้นะว่าเหล้าบุหรี่มันไม่ดีเขารู้เขามีข้อมูลความคิดเขาบอกว่าเนี่ยไม่อยากไม่อยากจะเสพเลยนะไอ้ของพวกนี้มันมีความคิดความตั้งใจอยู่ แต่ว่าเลิกไม่ได้เพราะใจมันไม่ยอมใจมันโหยหานะใจมันหัวแร้ลึกถึงก็โหยหาหลอยคนก็รู้นะว่าความโกรธไม่ดีแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบพอมีใครพูดอะไรไม่ถูกหูก็โกรธแล้วนะักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความทุกข์มากเรื่องเพราะเรื่องนี้เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่คล้อยตาม ความคิดของเราเราอยากจะอยากจะให้อภัยนะแต่ว่าใจมันไม่ยอมเมื่อวันซื่นนี่ก็มีคนมาปรึกษาเรื่องที่สามีมีเมียน้อยนะเขาก็รู้นะว่ามันคิดเรื่องพวกนี้แล้วมันทุกข์แต่ก็บอกว่ามันมันตัดใจไม่ได้อยากจะวางแต่วางไม่ได้ความคิดมันบอกว่า หรือว่าความรู้จากการฟังธรรมบอกว่าต้องวางแต่ว่าใจวางไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันมีช่องว่างนะระหว่างความคิดกับความรู้สึกหรือระหว่างสมองกับหัวใจหรือระหว่างาเหตุผลกับอารมณ์อย่างที่บอกแล้วเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้พวกเราก็ มีปัญหาอย่างนี้กันทั้งนั้นบางคนก็รู้นะว่าการกินอาหารแบบนั้นแบบนี้ไม่ดีเพราะว่ามันมีไขมันเยอะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรู้หมดนะแต่ก็ห้ามใจไม่ได้จิตใจอนะ่อนแอตรงนี้แหละที่การปฏิบัติทำโดยเพราะจิตตภาวนาเนี่ยมันจะมันจะช่วยนะทำให้เกิดความกลมกลืนกันเพราะว่า เช่นพอเราฝึกสติมากๆเนี่ยจิตมันก็จะอ่อนโยนนะจิตมันก็จะาสามารถที่จะปล่อยวางไอความคิดที่ทิ่มแทงจิตใจทำให้จิตมีกำลังนันบอกว่าเวลาเวลาตั้งใจนะว่าจะาเลิกเล่าเลิอกอบายามุข ต่ก่อนทำไม่ได้เพราะจิตใจอ่อนแอแต่ว่าพอมาภาวนาเนี่ยจิตใจมันจะเข้มแข็งนะมีขันตินะมีสมาธิแล้วก็มีสตินะไม่อ่อนไหวหรือว่าไม่ลุ่มหลงต่อสิ่งยั่วยุภายนอกง่ายๆอะไรที่รู้ว่าถูกก็สามารถจะน้อมใจให้ทำสิ่งนั้นได้นะอันนี้เนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ระดับเด็กเล็กๆนะจนถึงผู้ใหญ่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าก็เคยมีการทดลองเอาเด็กเนี่ยประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยเข้าไปในห้องในห้องนี้ก็มีจานขนมมีถาดขนมอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะผู้ใหญ่ก็บอกเด็กว่าถ้ากินตอนนี้นะ ได้กินได้เม็ดหนึ่งแต่ถ้ารอห้านาทีสิบห้านาทีจะได้กินสองเม็ดเด็กทุกคนรู้นะว่าสองเม็ดเนี่ยดีกว่า1เม็ดนะแต่ว่าเด็กหกสิเ็ดเซนเนี่ยเลือกที่จะกินหนึ่งเม็ดนะนที่เลือกกินหนึ่งเม็ดเพราะว่าห้ามใจไม่ได้รู้ว่าสองสองเม็ดดีกว่า1เม็ดแต่ว่าใจมันห้ามไม่ได้นะีอันนี้พราจิตใจไม่เข้มแข็ง ผู้ใหญ่ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งนะอาจจะรู้ว่าการมีกิ๊กนะการมีเมียน้อยหรือว่าการไปนอกการทำตัวนอกใจเนี่ยคู่ครองของตัวเนี่ยมันไม่ดีขืนทำไปนี่วุ่นวายแน่แต่ก็ห้ามใจไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนแอเพราะว่าประมาทบ้างลุ่มหลงบ้างหรือว่า ไม่ลืมตัวบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่ า, าจเจริญภาวนานะบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยมีการฝึกจิต บ, บ่อยๆเนี่ยนะจิตก็จะเข้มแข็งจิตก็จะมีสติรู้ตัวได้ไวนะสามารถที่จะรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสามารถจะกดข่มมันได้ จะใช้สติจะใช้ความรู้สึกตัวหรือจะใช้สมาธิก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งใช้ภาวนาแบบอื่นเช่นเจริญอสุภะกรรมฐานจงกระทั่งไ อ, ไอตัวตันหาราคานี่มันฝอไปนะอันนี้ก็ช่วยได้ทั้งนั้นนะอย่างที่ส่วนเมื่อกี้เนี่ยนะอาการ32เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันคลายนะคลายจากกามนะ ก็ทําให้ใจนะมันอ่อนโยนนะแล้วก็เชื่อฟังเหตุผลนะเชื่อฟังความคิดที่ถูกต้องหรือว่าทําตามความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเหตุผลในที่นี้หรือสมองในที่นี้ก็รวมเป็ึงสัมมาทิฏฐิเล่นนะอันที่พูดมานี่ก็พูดในง่ายที่ว่าใจเนี่ยมันไปมันไปยอมนะยอมที่จะคล้อยตามเหตุผลหรือความคิดที่ดี แต่บางครั้งเนี่ยใจนี่มันก็สามารถที่จะเป็นตัวเสริมให้มีความคิดที่ถูกต้องก็ได้บางทีความคิดเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฐิแต่ว่าการพัฒนาจิตใจหรือพัฒนาอารมณ์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฐิได้อย่างเช่นคนจำนวนไม่น้อยก็เชื่อว่าเนี่ยจะสุขได้ก็ต้องมีการเสพยิ่งเสพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะแต่พอได้มาอยู่ในที่ที่สงบ ที่ทีอ่อยู่กันแบบเรียบง่ายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากไม่มีสิ่งเสพมาปนเปลิลมากแต่ว่าใจมาสงบนะอย่างหลายคนเนี่ยนะอยู่ในเมืองก็สบายดีอยู่แล้วนะไม่อยากมาที่นี่แต่พอได้มาแล้วเนี่ยใจมันค่อยๆคล้อยนะค่อยๆสงบลงไอ้ใจที่สงบทั้งที่มันก็ไม่ได้มีสิ่งเสพอะไรมากนะ หนังก็ไม่ได้ดูเพลงก็ไม่ได้ฟังนะไม่มีแสงสีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกได้ถึงความสงบมันก็ทําให้เกิดความเห็นที่เปลี่ยนไปนะไอ้ที่เคยคิดว่าอ๋อต้องเสพมากๆนะมันถึงจะมันจะสุขเนี่ยมันไม่ใช่แล้วหรือบางคนคิดว่าทํานั่งกินนอนกินมันสบายกว่ามีความสุขนะถ้าทําอะไรแล้วมันเหนื่อยมีความคิดแบบนี้ แต่พอได้ลงมาได้มาลงมือทําอะไรร่วมกันเช่นได้มาปลูกป่าร่วมกันหรืออย่างที่หลายคนเด็กหลายคนวัยรุ่นเนี่ยนักเรียนวัยรุ่นมาเดินธรรมยา ต, ตราลําบากทั้งนั้นนะไม่มีสบายเลยนะแต่ว่าทําไปทําไปแล้วเออเขามีความสุขมันเป็นความสุขใจถึงแม้ว่ากายจะลําบากไอความสุขแบบนี้มันก็ไปเปลี่ยนทิศทีความเห็นในสมองนะว่า มันไม่ใช่นะว่าจะต้องเสพแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่ว่าสบายแล้ว ถ, ถึงจะมีความสุขความสุขกับความสบายมันมันคนละเรื่องกันเลยนะคือถึงแม้จะไม่สบายแต่ก็มีความสุขได้นะถึงแม้จะไม่มีสิ s <S ่งเสพมากก็มีความสุขได้ตรงนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกมันก็ไปเปลี่ยนความคิดนะความรู้สึกที่เป็นกุศลก็ไปเปลี่ยนความคิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้น มันไม่ใช่ว่าเหตุผลหรือความคิดดั้งเดิมมันจะดีเสมอไปบางทีมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าการอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าได้ได้ทำความดีได้ฝึกจิตฝึกใจนะเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลคือเกิดความสุขกับผู้ ง, ง่ายๆมันก็ทำให้ความคิดความเห็นเปลี่ยนแปลงเกิดจากมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฐิได้เราไปเห็นได้ว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะมันสาคัญมากนะ ในการที่ทำให้ใจของเราเนี่ยในส่วนที่เป็นสมองส่วนที่เป็นเหตุผลกับส่วนที่เป็นอารมณ์เนี่ยมันกลมเกลืนกันแล้วก็เป็นการกลมกลืนในทางที่ดีช่วยกันไม่ใช่กลมกลืนกันในทางที่ชั่วนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แน่นอนถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสัมมาทิฐิไม่มีนะมีแต่มิจฉาทิฐินะ แล้วก็อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ที่ไฟเสยไฟบริโภคมักโกรธเต็มไปด้วยตัณหาราคะอันนี้ก็ยิ่งพาชีวิตไปในทางที่ตกต่ำแล้วก็สร้างความขัดแย้งกับผู้คนเกิดเรื่องเกิดราวกันมากมายดันั้นถ้าเรามองดูให้ดีนะายศึกษาเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดการความกลมเกลือกันทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับภายนอกคือระหว่างเรากับสังคมชุมชน หรือครอบครัวรวมทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดความกลมกลืนภายในระหว่างกายกับใจแล้วก็ในส่วนใจก็มีความกลมกลืนกันระหว่างเหตุผลนะกับอารมณ์ระหว่างความคิดกับความรู้สึกอ่งนั้นมันมันทำให้เกิดความเจริญงอกงามนะนะตั้งแต่จากภายนอกสู่ภายในแล้วก็ความเจริญงอกงามภายในก็นำไปสู่ความเจริญงอกงามและความ ราบรื่งความสงบสุขหรือสันติภาพภายนอกด้วยคำนี้เ็พูดกันเท่านี้นะกรบาบครบ